พระญาณนรรัตน์ราชมานิตเจ้าคุณนอภิกขุเจ้าคุณ น. วัดเทพสิรินทราวาส 2440 ถึง 2514 จะทำอะไรไม่ผิดนั้นข้อสำคัญอยู่ที่สติถ้ามีสติคุ้นครองกายวาจาใจอยู่ทุก ผิดพลาดเพราะเมอประมาทประเนิงหลงลืมจึง ภูมิสติกลางสนามโล่ ตลอดทั้งพืชพันธุ์ ต้องถึงที่ เช่นกับพระพุทธเจ้าและพระ ที่ไม่ตายจึงเรียกว่าปริตายคือนามรูปรูปสังขารเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณแต่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเท่าสัมปชัญญะ ก็มีบกพร่องอย่างไร หรือเรียบร้อยบริบูรณ์ดีเรียบเพื่อให้สมบูรณ์ต่อไปถ้าเรียบร้อยดีอยู่แล้ว ก็พยายามให้เรียบร้อยดียิ่งยิ่ง หรือและเมื่อเวลากระทําเสร็จแล้ว ต้องหัดให้จิตใจ ชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ด้วย ความในการมีคู่รักคู่ครองในการสรรเสริญ สิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับความสุข ที่เกิดจากสันติเกิดเป็นความสุขที่เยือกเย็นและไม่ซ่อนด้วยความทุกข์ และไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงตกแต่งมากไม่ต้องๆเกิด อยู่คนเดียวก็ทำได้ที่เงียบสังคม ได้นี้ก็เพียงสักแต่ แต่ความเจ็บนั้นก็ไม่สามารถจะทำใจให้เดือดร้อนตามไปด้วยเมื่อใจสงบแล้วกลับจะทำให้กายนั้น สงบหาย ซึ่งไม่มี ด้วยปัญญาด้วยปัญญาไม่แน่นอนให้ คงทนอยู่ดับไปเรียกว่าเป็นทุกข์เสื่อมสิ้น ขอร้องร้องหรือเร่ง เห็นความเป็นจริง เพราะรู้เห็นความ ไม่ฝ่าฝืนของเราในอำนาจ มั่นคงอยู่เสมอคงอยู่เป็นอิสระไม่ นี้จะ